หรือประวัติการทรงทํางานสั่งสอนของพระพุทธเจ้าบุคคลที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนั้นมีมากมายทุกชั้นทุกประเภทว่าดยระดับสติปัญญาก็มีตั้งแต่ฉลาดที่สุดถึ ง, งโง่ที่สุดตามปกติพุทธประวัติที่เล่าเรียนกันโดยเฉพาะที่ย่อๆย่อมจะกล่าวถึงเฉพาะงานสั่งสอนครั้งสาคัญสาคัญเท่านั้น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 ผู้ที่อ่านหรือเรียนพุทธประวัติตอนเหล่านี้จะต้องสมมุติตนเป็นนักปราชั้นคณาจารย์หรือเป็นนักบวชเหล่านั้นคบคิดเนื้อธรรมด้วยสติปัญญาและอยู่ในบรรยากาศแห่งการสอนครั้งนั้นด้วยตนเองจึงจะเข้าถึงรสอันเป็นแก่นธรรมซึ่งเป็นเรื่องที่ทำได้ยากถ้าจะเทียบให้มองเห็นง่ายๆอีกแง่หนึ่งเพียงปรัชญาของโซเครติสพลาโต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 เป็นอยู่ด้วยปัญญาราดกล่าวว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดจบพุทธวิธีการสอนสมเด็จพระพุทธโคษาจารย์ปอประยุตโตอ่านโดยอริยคุณ